บัรนี้จกแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมประพงมีประภากอรหันตสัมมารธรมุติเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรม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 คำว่าภาวนาซึ่งมีความหมายว่าการปฏิบัติทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเมื่อใช้กับการปฏิบัติอานาปานสติสมาธิสมาธิที่เกิดจากอานาปานสติสติกำบวกลงในใจเข้าออก mm. ก็มีความหมายว่า อานาปานสติสมาธิข้อนี้ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้มีขึ้นก็คือให้มีอาณาปานสติสมาธิให้เป็นขึ้นก็คือให้เป็นอานาปานสติสมาธิขึ้นมาดัางนี้แหละเรียกว่า อานาปานสติสมาธิภาวนาหรือภาวนาอานาปานสติสมาธิหรือภาวนาสมาธิที่เกิดจากอานาปานสติในการปฏิบัติภาวนาดังกล่าวนี้ท่านได้แสดงการภาวนาไว้ในความหมายที่ว่าไม่ล่วงธรรมะ ที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นโดยที่มีอินทรีย์มีศรัทธาเป็นต้นมีรถเป็นอันเดียวกันโดยที่มีการนําความเพียรที่ให้เข้าถึงภาวนานั้นและโดยที่มีการเสพคุณคือการปฏิบัติบ่บอยๆทาให้มากประการแรกที่ว่า โดยที่ไม่ล่วงธรรมะที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นธรรมะไม่ล่วงก็คือไม่ข้ามพ้นไปไม่ผ่านพ้นไปธรรมะที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นธรรมะก็คืออารมณ์ของสมาธิที่ปฏิบัติ เช่นอาณาปานสติสติกำนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็ชื่อว่าเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติให้เกิดขึ้นในภาวนานั้นคือตั้งสติกำนดลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้าอวยรู้ให้ใจออกก็ไม่รู้ถ้าทำสติกำนดลมหายใจได้ติดต่อกันไป ก็ชื่อว่าไม่ล่วงคือไม่ข้ามพ้นแต่ถ้าสติที่กำหนดฟุงสารออกไปในบางครั้งบางคราวสติจึงไม่มีกำหนดลมไม่ใจในเมื่อวุงสารออกไปนั่นดังนี้ก็ชื่อว่าข้ามหรือว่าล่วง ธรรมะที่เกิดในภาวนานั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นภาวนาหรือการปฏิบัติทำให้มีขึ้นในเป็นขึ้นก็ต้องให้สติกำหนดอยู่ให้ติดต่อไม่ให้สติฟุง้งซ่านหรือไม่ให้จิตฟุง้งซ่านสติฟุง้งซ่านหรือจิตฟุง้งซ่านออกไปในเวลาใดก็ตกหล่นในเวลานั้นข้ามไปในเวลานั้น ล่วงเลยไปในเวลานั้นก็ไม่เป็นอาณาปานสติเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามปฏิบัติทำสติให้กำหนดอยู่กับลมไม่ใจเข้าออกทุกครั้งติดต่อกันไปจึงจะชื่อว่าไม่ล่วงธรรมะที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นส่วนข้อต่อไปที่ว่า ส่วนข้อต่อไปที่ว่าโดยที่อินทรีมีรถเป็นอันเดียวกันอินทรีนี้คือธรรมะที่เป็นใหญ่หมายได้หมายถึงศรัทธาความเชื่อวิิยะความเพียรสติความระลึกได้ธรรมาที่ความตั้งใจมั่น และปัญญาความรู้ที่กำหนดพิจารณาอินทรีย์ทั้งห้านี้มีประชุมอยู่พร้อมกันมีรถคือกิจที่พึงทาเป็นอันเดียวกันข้อนี้หมายถึงธรรมะที่เป็นอุปการะในการปฏิบัติทั้งห้านั้นคือต้องมีศรัทธาความเชื่อติดตั้งมันอันมีกิจกาจัด ความไม่เชื่อวิริยะความเพียนที่ดำเนินไปด้วยดีมีกิจกำจัดความเกียรตครานสติความระลึกได้มีกิจกำจัดความหลงลืมสมาธิความตั้งใจมั่นมีกิจกำจัดความฟุง้งซ่านปัญญาความรู้พิจารณา ถูกต้องมีกิจกำจัดความรู้ชั่วรู้ผิดผู้ปฏิบัติทำภาวนาจะต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาดังกล่าวพร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามีรถเป็นอันเดียวกันในขณะที่ปฏิบัติ ในข้อต่อไปที่ว่าโดยมีความเพียรหรือโดยนำความเพียรที่เข้าถึงภาวนานั้นก็มือคือมีความเพียรพยายามปฏิบัติให้เพียงพอที่จะบรรลุถึงภาวนานั้นได้และข้อต่อไปก็คือมีการเสพหรือปฏิบัติคุณ นั่นหมายความว่าปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติให้มากรวมเป็นสี่ประการภาวนามีลักษณะดัง4ีประการนี่แหละจึงจะให้สำเร็จเป็นอาณาปานสติสมาธิภาวนาได้แม้ในข้ออื่นก็จะต้องมี ภาวนาเช่นนี้เช่นเดียวกันจึงจะให้สาเร็จการภาวนาในขอนนั้นๆได้ต่อจากนี้จะได้แสดงถึงนานาปานสติขั้นที่สองหรือข้อที่สองที่ว่าให้ใจเข้าสัน้นก็รู้ว่าให้ใจเข้าสัน้น หายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นในชั้นนี้หมายถึงการหายใจของผู้ปฏิบัติเองถ้าหากว่าในขณะที่ปฏิบัติหายใจเข้าออกสั้นคือในการละคือเวลา ในเทศะคือที่ซึ่งกล่าวว่าหรือนับว่าสัน้นก็เรียกว่าสั้นการให้ใจเข้าสันนี้หรือให้ใจออกสั้นนี้โดยปกติก็อาจจะมีได้ในบางคราวในเมื่อได้ พัพรจากความเหน็ดเหนื่อยจึงไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในขณะเช่นนี้ลมหายใจก็จะสั้นกว่าในขณะที่เหนื่อยหรือแม้ว่าในขณะที่ปฏิบัติทำอาณาปาสติสมาธิก็ดีหรือปฏิบัติทำสมาธิขออื่นก็ดี จิตได้สมาธิบ้างแล้วกายก็สงบจิตก็สงบในขณะที่จิตและกายสงบนี้การหายใจก็ละเอียดเขา้าคือว่าสั้นเขา้าฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าออกสัน้นก็ให้รู้ว่าสัน้นและแม้ในขั้นที่สองนี้ ขั้นก็ได้แส ด, แดงไว้เช่นเดียวกับในขั้นที่หนึ่งคือเมื่อให้ใจเข้าออกสัน้นก็รู้ว่าสัน้นปฏิบัติอยู่บ่อยๆเข้าหรือว่านานเข้าก็ยอมจะเกิดชันทะคือความพอใจลมหายใจที่สั้นนั่นก็จะละเอียดเข้าและเมื่อกำหนดต่อไปบ่อยๆ ก็จะเกิดประโมทคือความบันเทิงลมหายใจเข้าออกที่สั้นนั้นก็จะสุขุมคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อปฏิบัติต่อไปจิต ก, ก็จะกลับจากลมอัศวสสะปัสสาส ะ, าสะอุเบคาก็จะตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจว่า ขั้นตอนของการปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองนี้ท่านแสดงไว้เช่นเดียวกันและท่านแสดงไว้โดยละเอียดสรุปความว่าในขั้นที่หนึ่งเมื่อเรื่องปฏิบัติเขาให้กำหนดดังนี้ให้ใจ เข้าออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวก็จะเกิดชันทะเมื่อเกิดชันทะคือความพอใจขึ้นก็ให้กำหนดสติเช่นเดียวกันคือหายใจ เข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเข้า ใ, ใจใหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวในขั้นนี้ลมหายใจเข้าออกยาวนั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นที่ไม่มีฉันทาและต่อไปเมื่อประโมดความมันเถิงใจบางเกิดขึ้นต้องให้กำหนดเช่นเดียวกัน หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวลมไม่ใจในขั้นปราโมทย์นี้ละเอียดยิ่งไปกว่าในขั้นคันทะในขั้นคันทะคือความพอใจแล้วต่อไปจิตก็จะกลับจากลมอัตต า, ศ า, ศ า, ศาตับปัสสาวะคือลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกลมเบิกขาก็ตั้งขึ้น เราเป็นอันว่ามีวิธีปฏิบัติเป็นเก้าในขั้นธรรมดาสามในขั้นที่เกิดชันทะ3สามในขั้นที่เกิดประโมทสามเป็นเก้าเรื่อมาถึงชั้นที่สองก็ เ, เช่นเดียวกันท่านสอนให้กำหนดทีแรกหายใจเข้า สั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเป็นสามก็จะเกิดฉันทะคือความพอใจเมื่อเกิดฉันทะขึ้นท่านก็สอนในกำหนดเป็นสามเหมือนกันหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเป็นสาม ต่อไปก็จะเกิดประโมทคือความบันเทิ ง, งก้อยกำหนดเป็นสามเช่นเดียวกันให้ใจเข้าสัน่นก็รู้ว่าสัน่นให้ใจออกสัน่นก็รู้ว่าสัน่นให้ใจเข้าออกสัน่นก็รู้ว่าสัน่นเป็นสามจะลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นโดยลําดับในขั้นชั้นทะความพอใจก็จะละเอียดกว่าขั้นปกติในขั้นเกิดประโมท ก็จะละเอียดกว่าในขั้นเกิดฉันทะแล้วเมื่อได้ประโมทต่อไปก็จิตก็จะกลับจากลมอัตส า, าสะปัสสะอุเบ ค, คาก็จะตั้งขึ้นคําว่าจิตกลับจากลมอัตสสะปัสสะหรือลมหายใจเข้าออกนี้หมายความว่าจิตไม่กําหนดแต่จิตจะมีอุเบ ค, คา คือเข้าไปเพ่งเขย อ, อยู่ซึ่งเป็นขั้นตีละเอียดเข้าไปเพ่งสิ่งอะไรก็เข้าไปเพ่งสิ่งนิมิตแห่งอศัศาสาปัตตะนั่นเองนิมิตก็คือว่าเครื่องกําหนดฉะนั้นแม่ลมอศัศาสาปัตตะจะสงบจิตกลับจากลมอศัศาสาปัตตะแต่ว่านิมิตจะเครื่องกําหนด อันแรกกับามาัสาาสะตาปัสสะที่เป็นนิมิตคือเครื่องกําหนดอยู่ในใจก็ยังมีอยู่ก็เป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่กับนิมิตของรามัสสาตาปัสาาสะนั้นแหละที่แบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นที่หนึ่งยาวชั้นที่สองสั้นท่านไม่แสดงไว้ว่าต่อกันหรือไม่ต่อกัน แล่ก็พิจารณาได้ตามแนวชั้นที่ท่านแสดงไว้เป็นอาณาปานสติในขั้นกายนี้สี่ชั้นและยังมีต่อในขั้นมือธนาในขั้นจิตในขั้นธรรมอีกขั้นละสี่ชั้นก็เป็นสิบหกชั้นและมีแนวทบายนแนวอธิบายทำรองเหตว่าต่อกันขึ้นไป เพราะฉะนั้นจึงเปล่าได้ว่าแนวหนึ่งก็คือต่อกันขึ้นไปอันหมายความว่าเ <c oughs> มื่อปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งลมหายใจย่อมละเอียดเขา่เาเระว่ากายสงบเกียตสงบที่เคยยาวโดยปกตินั้นก็สั้นเขา่าและเมื่อลมหายใจสั้นเขา้าจึงมาจับกําหนดลมหายใจที่สั้นนั้นอันนับว่าเป็นขั้นที่สอง แล้วว่าอีกอย่างหนึ่งก็อาจกล่าวได้ตามที่ในกล่าวมาแล้วว่าดมไม่ใจในเวลาเหนื่อยปกติก็ต้องยาวแต่ว่าในขณะที่หายเหนื่อยกายใจสงบในใจก็สั้นเข้าดุจฉนั้นจึงอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ จะพึงพิจารณาในขณะที่ตนปฏิบัตินั้นเป็นเกณฑในขณะที่ตนปฏิบัตินั้นยาวก็จับขั้นยาวถสั้นก็จับขั้นสัน้นทั้งตามอธิบายในสองขั้นนี้อธิบายไปเช่นเดียวกันทั้งในชั้นยาวทั้งในชั้นสัน้น ตามก็มีชันทาความพอใจมีประโมทความบันเทิงใจเช่นเดียวกันแน้จิตก็กลับจากอัศสาะศาศาปัสสะลมาใจเข้าลมใจออกอุเบกขาตั้งขึ้นเช่นเดียวกันต่อไปนี่ตั้งใจวังสดเ น, นื้อทำความสงบสืบต่อไป